มีใครไม่เคยมาไหมเคยมาไหมโมงี้สบายแล้วตอนนี้นั่นแหละไหนๆก็ถือแล้วเป็นไงพาวนาวันนี้โยมรู้สึกว่ามีโมหะคลุมอยู่เจ้าค่ะแล้วก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้แวบนึงมีปิติแต่ก็รู้สึกมันไม่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 คือมีวิหารธรรมอันนึงเป็นที่อาศัยของจิตเวลาจิตมีธุรจิตเข้าไปไม่ห้ามนะเราจะเห็นเลยว่าจิตจะอยู่บ้านหรือจิตจะไปห้ามไม่ได้ตรงนี้แสดงไตรลักษให้เราดูทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจที่จะดูเนะี่ยสภาวธรรมนะั้นมีตลอดเวลาคุณาปิดใหม่ปิดเนี่ย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 จิตใจถ้ากระจออกนอกเนี่ยไม่มีกําลังที่จะเกิดมกรกลจิตต้องตั้งมั่นพอแต่หลายคนคิดว่าการที่จิตไปตั้งแช่ในอารมณ์เนี่ยเป็นสมาธิไม่ใช่นะการ น, นัตตาแยกออกไใช่ไหมเกือบทั้งหมดเลยที่ชอบเข้าไปแช่ยิ่งพวกที่บอกว่าไม่เอาสมถาถะอยากทำให้ปันสนายอย่างเดียวนะเอาจิตไปแช่ไว้ในอารมณ์ทั้งนั้นนะเลยมันสักว่ารู้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 มีทิฏฐิคือคิดว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีทั้งที่ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วคิดว่าจะต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีต้องกําหนดอย่างนี้ถึงจะดีนตัวนี้ที่คลาดเคลื่อนว่าทําให้เราทําสติปัฏฐานจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเเปิดยามทําสํารวมเนี่ยก็เหมือนกับการเราไปแช่นั่นเองใช่แกล้งทําสํารวมนั่นแหละของปลอมคําว่าสํารวมไม่ได้แปลว่าแกล้งนิ่ง สัมรวมหมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตแล้วมีสติรู้ทันนี่ที่เรียกว่าสังวร อ, นอินเสียสังวรตากระทบรูปภูปกระทบเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันนี่ถึงเรียกว่าสัมรวมส่วนแกล้งทําซึมแกล้งทงาโง่ได้อะไระมันทําด้วยตัณหาและทิฏฐิกิเลสที่ทว่เป็นสหาชาตปัจจัยของกรรม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 เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินั้นนที่รู้จักสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดเองสติเกิดเองนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาคราว น, นี้ตั้งถูกต้องตั้งอยู่ถึงฐานมันจริงๆส่วนถ้ากําหนดกาหนดไปใจจะไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ตั้งมั่นคือเนี้ยสตินะก็แยกไม่ออกว่าสติอะไรที่ใช้ทามีศัสนาจริงๆสติอะไรไปรู้อารมณ์ที่เป็นสาธารณะกุศล สมาธิก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสมมาสมาธิที่ตั้งมั่นในการสักว่ารู้อารมณ์ด้วยจิตที่อ่อนที่เบาที่นุ่มนวลคล่องแพร่ว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงรู้จักแต่สมาธิที่จิตถลำเข้าไปนอนนิ่งๆิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจวงการของตันหาและทิฏฐิปัญญาก็าไม่รู้จักนะปัญญาปัญญามันเกิดจาก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 จริงๆแล้วต้องศึกษาหลักธรรมที่ผู้เจ้าสอนอบอกอาจารย์สอนเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้บอกผมเน้นสอนเรื่องสมถะกับวิปัสนาเนี่ยผมเห็นว่าสมถะทําง่ายวิปัสนาทำยากบอกพระพุทธเจ้าสอนไในที่ไหนอัตโนมัติหรือเปล่านะแกก็อึ้งไปนะเออพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนะว่าสมถะง่ายวิปัสนายาก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 ท่าเทียบจิตกับธรรมเราก็มาครอมเอาตามใจชอบนะเทียบกายกับจิตกายกับจิตนะของง่ายทั้งคู่ของพวกอินทรีย์อ่อนด้วยกันทั้งคู่เียงแต่ว่าจริตของใครอะมันเหมาะกับอะไรเนี่ยธรรมะอย่างนี้น่ะมันเฟือยนะแต่ถ้าในแวดวงคนที่ศึกษาอภิธรรมมันนึกเอาเองเพราะว่าอะไรพระเชื่ออาจารย์สอนต่อๆกันมาแล้วบอกว่าสอนกายอะได้ทำสมถะไหมไม่ทําสมถะ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 ตัวการเป็นผู้ดูอย่างว่างง่ายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเขาโดยไม่ถือสาอดูเขาไปตรงๆอย่างไม่แทรกแซงไอ้คำพูดพวกนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้จากการกั่นกรองจากการที่เราได้ฟังและเข้าใจแนวทางปรับวิธีคิดวิธีใส่ใจจากตรงนี้ค่ะดีแล้วจานตตาไม่งั้นจานตตาสอนไปนะจะแพร่ยาผิดไปเรื่อยๆ <c oughs> คนคนไหนที่เป็นครูเขาเนี่ยหลวงพ่อจะเข้มงวด <c oughs> เข้มงวดมากปกตินะ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 คนตื่นขึ้นมาโดยไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียวตื่นขึ้นมานี่เยอะแยะไปล้วเต็มไปหมดเลยบางคนนะัภาวนาดีมากเลยเวลาเขาบรรยายสภาวะนะเคยมีเปล่าองึงท่านมานั่งฟังทีแรกท่านมาแบบพองมานะท่านไปภอนาอยู่ในป่ามาพรรษาหนึ่งท่านทองมาเลยเสร็จแล้วพอท่านมานั่งฟังโยมพูดนะท่านข้อเหี่ยวลงเรื่อยๆตอนสุดท้ายหลวงพ่อไปคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านอายมากเลย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 ฐานตั้งก่อนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มก็คือฝึกให้เขาได้ตั้งขึ้นมาก่อนฝึกให้เกิดมหากรุสลจิตญานสัมปยุทธอสังคาลิกังตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตศิกขาล่ะเราเป็นนึกว่าจิตศิกษาเป็นเรื่องเข้าชาญอย่างเดียวจิตศิกษาคือการเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิตที่พร้อมจะเจริญมิปัสนานเกิดขึ้น เป็นกุศลจิตนี้เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตนะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเบิกบานเบานะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นนะเกิดเองนะเกิดได้เองเสร็จแล้วเราก็เบื้องต้นนะ่ะนะมันต้องตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้นะ เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติตามรู้เพื่อให้จิตจําสภาวะได้แล้วเกิดสติเนี่ในสติปัฏฐานเะนี่ยท่านถึงใช้คําเหมือนกันหมดเลกายานุปัสนาการตามเห็นกายจิตตานุปัสนาการตามเห็นจิตเป็นคนละส่วนกับขั้นที่ทําให้เกิดปัญญานะคนละส่วนกันงั้นในสติปัฏฐานนะัมี2 ส, ส่วนส่วนที่ทําให้เกิดสติตามเห็นกายตามเห็นเวทนาะตามเห็นจิตตามเห็นมากๆแล้วจิตจําสภาวะของรูปนามได้แม่ น, น, นแลรูปนามเคลื่อนไหวขึ้นมาสติเกิดเอง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 อาจารย์คะตรงนี้ขออนุญาตย้ําอีกนิดนึงอะคะ่ะว่าตรงกระบวนการที่เราตามรู้ระลึกลงไปอย่างนี้แหละเป็นกระบวนการของอนะขั้นของจิตตะิษขาอะไรนะการกระบวนการของการตามรู้ระลึกรู้ไปอย่าง น, นี้ค<ช>่ะก็เป็นการเข้าสู่กระบวนการของจิตตะศิษขาใช่เพียงกระทั่งจิตเนี่ยมันเกิดความรู้ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาพร้อมที่จะเจริญปัญญาพอจิตมันพร้อมจเจริญปัญญามันก็ขึ้นปัญญาศิกขาสิ ันบทเรียนที่สองเนี่ยถึงชื่อจิตตสิกขานะแต่คนไทยชอบแแปลาความบทเรียนที่1เรื่องศีลบทเรียนที่2เรื่องสมาธิบทเรียนที่3เรื่องปัญญาในรากศัพท์จริงๆนะคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาทำไมเราค่อยๆเป็เนงั้นเพราะท่านพุทธโคโรสาจารย์ท่านแต่งวิสุทธิมรรค่าจิตตสิกขาเนี่ยนะท่านฉวยเอาเรื่องสมถะมาสมถะมาใส่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 ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะเสร็จแล้วมารู้กายจเห็นทันทีรลยกายไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็าเห็นเวทนาไม่ใช่เร า, าเห็นเวทนาไม่ใช่กายนี่ดูอย่างงี้ง่ายแต่ดูจิตยากละเพราะมันนิ่งมันคงทจิตนะงั้นพอเราไปทำสมถะมาเนี่ยดูจิตลำบากแต่ถ้าไม่ทำเลยนะดูจิตลูกเดียวฟุ้งซ่านก็ดูไม่ออกอีกละนะงั้นสมถะเนี่ย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 ได้พระโสาบันเสร็จแล้วพ่อท่านมาตามพระเจ้าเทศอะรุปุพิกถราเนี่ยลงท้ายถึงอริยสัตว์นี่ให้พ่อของพระยศฟังพ่อได้พระโสดานะพระยศฟังครั้งที่สองได้พระระหันเพราะท่านฟังแล้วท่านเห็นสภาวะนะถ้าเราเป็นอย่างเราฟังแล้วก็จดเลคเชอร์ไม่ได้นะไม่เห็นสภาวะเอาไปสอบได้ เนอริยสัจเนี่ยทามาสำคัญตรัสรุใหม่ๆก็สอนอริยสัจจนจะถึงนิพพานนะสมเดือนก่อนปรินิพพานพระสูตรบอกเลยว่าเทศอริยสัจเป็นส่วนมากส่วนน้อยก็คือเอาไปตอบคําถามของคนที่มาถามเรื่องอื่นทั่นเทศอริยสัจเป็นส่วนมากจนถึงปัดชิมมาวะทะสอนเรื่องความไม่ประมาท ก, ก็คือมีสตินนง การมีสตินี่แหละไม่ประมาทมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าทำสติปัฏฐานถ้ามีสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจเรียกสติปัฏฐานพอรู้แจ้งก็เรียกว่ารู้ทุกพารู้ทุกแจ้งก็ปล่อยวางตัวทุกขคือปล่อยวางขนัขนขันห้าคือตัวทุกขก็ปล่อยวางขันห้าไปปุ๊บจิตไม่มีอะไรจะยึดฉวยนะไม่มีอะไรจะเกาะจิตก็พ้นจากขนันพ้นจากทุกนั่นเอง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 วความจริงเป็นยังไงเรียนด้วยใจที่ว่างๆถ้าเราเรียนด้วยใจที่มีของเก่าผลาญพลังนะเรียนยากฟังสิ่งใหม่ไม่เข้าใจพอแต่เทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆของเก่าดีจริงพิเศษจริงมันพ้นทุกข์ไปแล้วละ่ะของเก่าดีจริงพิเศษจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วละ่ะส่วนมากติดสมถะกันงอมแงมนะเพ่งมาจนทื่อๆหาความสุขสักนิดหนึ่งในชีวิตยังไม่ค่อยจะได้เลยร่างกายก็เคร็ดขัดยอกนะจิตใจก็แข็งทื่อ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 บอกหลวงพ่อบอกว่าที่วัดเปลี่ยนทั้งวัดแล้วเพราะของเก่าทํามานานหลาย10ปีละลืมไปนะเวลาเรียนอภิธรรมนะก็พอเทียบกับสภาวะนั้นมันกลับหัวกับหางไปเลย <c oughs> นึกออกใชหมอาจารยนัตตากิจการที่เราจะรู้รูปนามเราก็ไปกําหนดรูปนามอย่างทุกขังอริยสัจจังปริญญาญังบางคนก็ไปแปลนะทุกให้กําหนดรู้ ทุกขังอริยสัจจังคนะือทุกอริยสัจทุกขสัจนะปริญเดยังมาจะกคำว่าปะริคำว่ายาปะริแปลว่ารอบยาแปลว่ารู้นั้นทุกเป็นทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบคําว่ารู้รอบหมายถึงอะไรอันแรกรู้รอบในกองทุกข์หรือรู้รอบในกองขันไม่ใช่เรียนขันเดียวนะต้องเรียนจนเระทั่งแจ่มแจ้งได้ทุกขันนะนะั่นแหละ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 เพราะมันไปเข้าหูเข้าสมองสมดตินะเข้าสมองแล้วก็คิดนะคิดเมื่อไหร่ก็แปลเมื่อ น, นั้นแหลนะหลวงพ่อถึงบอกไงอยากฟังให้รู้เรื่องเร็วนะถอดเชี้ยวถอดเล็บออกฟังด้วยใจนะหลวงพ่อพูดธรรมมาพูดด้วยใจจริงๆนะพูดแบบถอดใจให้เลยนะถอดใจให้ได้ครึ่งวันนะเพียงแต่สิโมงหมดแรงแล้วเหนื่อยเมื่อไหร่โยมจะหมดไปจากโลกสัที <c oughs> มันเหนื่อยนะเหนื่อยสอนกันด้วยใจจริงๆเลยนะกรรมฐานนะ่ะเรียนดีที่สุดเลยอาจารย์หนึ่งลูกศิษย์หนึ่งดีที่สุดเลยไม่ก็กลุ่มย่อยๆเรียนกลุ่มย่อยๆไม่ใช่เรียนกันเป็นร้อยเป็นพันเรียนกันด้วยใจลูกศิษย์ก็เอาใจซื่อๆใสๆมาเรียนนะเอาใจต้านมาเรียนนี่เหนื่อยนะใจที่ต้านมาเรียนนี่เหนื่อยจารยนัตตานึกออกหรือยังยั ง, ยงจิตเข้าต้านเนี่ยนะ เราจะอยากให้เขารู้เรื่องเหนื่อยนะเรื่องนี้หลวงพ่อแก่ง่างๆแล้วหลวงพ่อชักไม่ไหวแล้งั้นคนไหนต้านหนะลวงพ่อปล่อยเลยปล่อยเลยบางคนเถียงใหญ่เชียร์ชัดๆ ช, ช, ช, ชคุณก็ทําไปเถอะนะได้ดีแล้วมาบอกกันก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่ามีมีช่องทางใหม่ที่เกินกว่าสติปัฏฐานหรือบางคนอยากดูความว่างดูความว่างบอกุทะเจ้าไม่ได้สอนนะก็เถียงจะเอาเอาเอาทาไปเถอะนะ ะเหมือนเวลาละเลยเป็นนาทีเดี๋ยวพระหิวข้าวนะเชิญโยมไปทานข้าวเลยไป